าทางเดินไม่ได้เป็นเรื่องมาคะบูชาซึ่งคล้ายกับวันถึงวันนี้คล้ายกับวันมาคาบูชาก็ดีพิสาขาบูชาก็ดีก็พอนักปราท่านเล็มเห็นจึงได้ พาดำเนินให้เป็นยกให้เป็นวันสำคัญขึ้นมามวันวิสาขบูชาก็ตรงกับวันพระสูุรัสรุและปรินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสตราองค์อกมันมาบูชานี่เป็นวันคล้ากับวันท่าน ตรมพระชนด้วยเนี่เนนนนเนน 1, ยเป็นวันท่านประทานพระโอวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถแต่พระรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ร่วดถึงเป็นวันสาคัญที่ชาวพุทธของเราจะได้ึนึกน้อมถึงท่านเพราะพระพุทธเจ้าก็ดี พระอระหันต์หนึ่งพันสองอห้าพระองค์นั้นก็ดีมีตั้งแต่องค์วิเศษทั้งนั้นหนึ่งองค์คือพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์วิเศษเลิศโลกแล้วสองพระอรหันต์สามพระอรหันต์จนหนึ่งพันสองรอยห้าสิบเอ็ดพระองค์กับพระพุทธเจ้ารวมแล้วตั้งแต่ความประศึกหนึ่งพันสองร้อย ห้าสิบเอ็ดพระองค์เราร้ลึกนึกน้อมถึงท่านผู้วิเศษมีจำนวนมากนั้นจึงเป็นพจึงเป็นพลังอันสำคัญแก่จิตใจของเรานึกถึงความชั่วเรานึกหลายครั้งหลายหน ม, มันก็มีกำลังมากพินใดไม่ถูกพินใดไม่ดีพิงใดททำให้เกิดความเดือดร้อนเมื่อคิดไปแล้ว เรายิ่งไปคิดซ้ำซ้ำซากๆากสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มพลังแห่งความไม่ดีขึ้นมาผลก็ยิ่งกลายเป็นความเดือดร้อนมากขึ้นไปทุกทีเพราะฉะนั้นจึงต้องสลัดปัดทิ้งหรือระงับความคิดประเภทที่เป็นภัยนั้นให้น้อยลงไปจน ถ, ถึงกับว่าไม่ต้องคิดเพราะมันไม่ดีที่นี้เราคิดของดีคิดถึงท่านผู้ดีผู้วิเศษ หลงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพระอระหันต์หนองรหค์คิดสักเท่าไรก็ยิ่งเกินเพิ่มพูนความดีเข้ามาสู่จิต ใ, ใจของเราเป็นพลังอย่างมากมายหาที่สิ้นจุดไม่ได้เพราะของดีบวกของดีหนึ่งก็ดีสองบวกกับหนึ่งก็เข้าไป หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกเข้าไปจนถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าิบเอ็ดพระองค์ก็เป็นจานวนมากร้วนแล้วตั้งแต่เราได้ระลึกถึงท่านทุกๆพระองค์พลังแห่งความระลษกในทางที่ดีนี้จึงเพิ่มขึ้นภาในจิตใจของเราเห็นวันนี้เราได้ระลึกนึกน้อมถึงพระพุทธเธจา้ากับพระสงฆ์สาวกท่าน จำนวนดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของเราความดีทั้งหมดที่เราเลยุกนี้ก็ย้อนากลับเข้ามาเป็นที่มงคลจากเราเองส่วนพระพุทธเจ้านั้นหรือพระ ส, ระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องการอันใดจากเครื่องสักระบูชาทั้งอามิตบูชาปฏิบัติบูบชา ส, สิ่งทั้งหลายที่เราทำลงไปนี้เป็นสิริมงคลแก่พวกเราทท้งนั้นความมีศัตวิ์ศความมีสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในตัวของเราเราจึงเป็นคนมีคุณค่าผิดกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่ไม่น้อยแม้จะ ม, มองเห็นรูปร่างกลางตัว เพราะไม่ใช่วัตถุเหมือนสิ่งทั้งหลายในบรรดาความดีที่เราละลึกถึงท่านนั้นความดีนั้นก็คือความดีเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับกิตใจซึ่งเป็นภาชนะอันดีรับรองไว้ภายในตัวของเราเราจึงเป็นผู้มีคุณค่ามากเพราะอา น, นาจแห่งความดีท่างหลาย มีอยู่ภายในใจศาสนาเป็นสิ่งสำคัญมากสาหรับจิตใจมนุษย์เราเพราะเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งเป็นงพึ่งตายเป็นที่เป็นธรรมชาติที่พาไปพาอยู่พาให้รับความสุขความเย็นใจจนกระทั่งถึงพาให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งศาสนา นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นจึงประกาศพระาศาสนาลงที่แดนมนุษย์เราเพราะมนุษย์เป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยึดเอาของดีนั่นได้ตามกำลังความสามารถของตนไม่เหมือนสัตว์ซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรนี่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ปฏิบัติบำเพ็ญตนเพื่อคุณงามความดีนำศาสนามาชะล้างจิตใจที่มันจบกระปรงขุ่นมัวให้มีความสงบข่องใสขึ้นใจก็เป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นไปดยลำดับเพราะใจเป็นของมีเจ้าของสติปัญญานั่นแหละคือเจ้าของของใจแต่ใจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งควบคุม ปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความปรุงปล่อยเท่าไรก็ยิ่งกระโดดเปิดเปิมขนทุกมาให้เราอยู่ไม่หยุดหย่อนผ่อนตัวบ้างเลยนั่นเพราะความปล่อยใจท่านจึงสอนให้รักษาจิตใจสมกับจิตใจนี้เป็นของมีคุณค่าเช่นเรารักษาวตัตถุสิ่งของสมบัติต่างๆในบ้านของเรานอกบ้านของเราเช่นเงินทองเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ ปลอดภัยจิตใจของเราซึ่เป็นของมีคุณค่ามากเมื่อได้รักษา้วยอั ด, ด้วย ร, รมโดยมีสติเป็นเครื่ อ, องคุ้มครองป้องกันจิตใจก็ปลอดภัยมีความสงบร่มเย็นใจจะฝืนสติปัญญาหรือฝืนธรรมไปไม่ได้เมื่อนำธรรมเข้ามาบังคับใจเป็นของฝึกได้ทรมานได้ ให้ดีได้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสุดผลอบรม จ, จิตใจจนกลายเป็นใจที่วิเศษขึ้นมาก่อนพวกเราอันดับต่อไปก็ทรงสั่งสอนสาวก<ม>เกิดความเชื่อความยินสัในความจริงที่พระองค์ทรงดําเนินและรู้เห็นมาแล้วอย่างไรเป็นเกิดความเชื่อความยินสัและปฏิบัติตามพระองค์ คือการฝึกฝนอบรมตนเองเต็มปฏิกำลังความสามารถจนฉลาด ร, รู้เต็มภูมิถึงขั้นอรหัตต่ผลเป็นบุคคลีิเสถีนี่ก็เพราะการฝึกฝนอบรมจิดใจสัตว์เรานำมาใช้างานตัดประเภทต่างๆเมื่อเราฝึกมันตามสมควรแก่ ภาวะของมันที่จะเป็นไปได้ก็ทําประโยชน์ให้เราได้บัวควายฝึกขัดให้ใส่ลอ้อใส่เปียนผลสินต่างๆให้เราก็ได้สุนัขในบ้านฝึกขนมันเข้าบานหรือให้เหา่าข้าบเอาสิงของต่างๆมาให้เจ้าของก็ได้พราะฝึกได้จิตใจของเราก็เหมือนกันก็อาศัยการฝึกการอบรมการบังคับบัญชา ด้วยสติเป็นของสำคัญสติเมื่ออยู่กับจิตรักษาจิตอยู่แล้วจิตก็ปลอดภัยพระพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนาเรื่องสติกับปัญญาซึ่งเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติอันสำคัญสติปัญญาเป็นเจ้าของเป็นผู้รักษาเมื่อใจได้ทรงตนได้แล้วจนถึงกับใจเป็นธรรมชาติที่หมด หมดเวรนหมดสิ่งก่อควรหมดความชั่วทั้งหลายที่แทรกถึงมีภัยในตนเป็นใจที่บริสุทธิ์ด้วนๆแล้วสติปัญญาก็หมดภาระที่จะรักษาต่อไปเพราะดีถึงขั้นสมบูรณ์แล้วนะจิตจึงต้องอาศัยการบำรุงการรักษาบำรุงก็คือการ ประกอบงามความดีเช่นใจเมตตาพอ น, นาให้จิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นมีเรียกว่าบำรุงการรักษาก็คือห้ามให้จิดคิดในสิ่งที่ไม่ดีอันจะเกิดโทษเกิด ค, ความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองมีชื่อว่าการรักษาเมื่อจิตได้รับการรักษาและได้รับการบำรงอยู่สเสมอจิตใจย่อมเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ในแง่ไม่ดีเข้ามาสู่ทางดีด้วยอานาจแห่งความดีเป็นเครื่องฝึกรือสติปัญญาคนนั้นก็เป็นคนดีได้กันมาคบบูชาไม่ว่าวัดใดบรรดาที่เป็นวัดใหญ่นอกจากวัดเล็กๆน้อยๆมี พิธีการทามาคบูชามีอพาประชาชนและขราหคึ่งเดินทำประทศิลิ์เยียนรอบพระประธานพระสถูปพระเจดีย์สามรอบแล้วก็แสดงธรรมในฝั่งหรือแสดงธรรมก่อนอันนี้แล้วแต่ จะเหมาะสมในการในการก่อนหรือการหลังเวียนเทียนเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญคุณางามความดีทำใจของตนให้สงบเยือกเยน็นใจเป็นปกติของใจจะมีความคิดตรุงอยู่เสมอความคิดตรุงที่ไม่มีคติเป็นเครื่องรักษามากจากคิดตรุงในทางที่ผิด ในทางที่จะให้ถูกโทษขันคอสอนให้พยายามระมัดระวังรักษาขอเพอยรยิ่มสอนให้ภาวนาในขณะฟังเทศกิจใจก็มีความจดจ่ออยู่กับอัดกับทรรมกระแสเสียงของท่านที่แสดงไปโดยลําดับไม่ขาดวักขาดตอนจิตใจมีความจดจ่อต่อนเนื่องอยู่กับกระแสเสียงแห่งธรรมไม่ส่งไปสู่ที่อื่น อิจใจย่อมไรับความสงบพอใจได้รับความสงบดังนั้นความร่มเย็นเป็นจุกความแปลกประหลาดหรืออัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นที่ใจนี่กระทาให้เราเห็นโทษแห่งความาวุ่นวายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบเลยในขณะที่จิตของเราสงบเราสามารถจะเห็นโทษความไม่สงบของใจด้วยและ ทราบคุณค่าแห่งความสงบของใจด้วยเมื่อความสงบคือความดีสิ่งที่ผู้ปรารถนาได้ปรากุดขึ้นมาเป็นจักิ์ศรีปรยานแก่กิตใจเราแล้ ว, แ ล, วแล้วก็มีเครื่องเป็นเทียบเคียงอีกดวงเดียวนั้นเนี่ในขณะที่มันไม่สงบมันทรยศต่ตอเราให้เกิด ค, ความทุกข์ร้อนไปต่างๆนานาในขณะที่กิดสงบนั้นให้คุมแก่เรา คือมีความสงบร่มเย็ยนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราย่อมเห็นได้ชัดทั้งโทษทั้งคุณซึ่งเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวโทษนั้นได้แก่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายของใจความสุขนั้นเกิดขึ้นเพราะความสงบของใจที่เนื่องมาจากการอบรมรักษาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พอเทียบเทียงกันได้และพอฟัดพอเหยี่ยง พอต่อสู้ต้านทานกันไปได้โดยหนักนานหลายครั้งและุนเข้าไปใจก็อ่อนเองคำว่าใจอ่อนมันไปอย่างนั้นได้แก่สิ่งที่ส่งเสริมใจให้เป็นพิษเป็นภัยนั้นอ่อนกำลังลงเพราะอำนาจหรือเพราะกำลังแห่งธรรมคือการผลอบลมไม่ใช่เพราะอื่นใดใจมีความสงบผ่องใสแม้เราจะไม่พ้นจากทุ ก, กตา เพราะอำนาจแห่งความององสงบผงสัยเป็นคู่เคียงของใจแล้วหากว่าได้ตายในภพชาตินี้ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีอีกมีความององสงบผงสัยอยู่แล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตายแล้วจะไม่ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมมีเป็นความสุขสบายต้องเกิดในที่เช่นเช่นนั้น มีความเดืดร้อนวุ่นวายเวลาตายลงไปมันก็คือความดืดร้อนวุ่นวายนั่นเองเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะให้เกิดความทุกข์ความเ ด, ดลอดร้อนในภพชาติต่อไปท่านจึงสอนทั้งเพื่อปัจจุบันในชาตินี้ให้มีความสงบเย็นใจเพราะอานาจแห่งการปฏิบัติธรรมด้วยทั้งภพชาติต่อไป ในเกิดนสะาานทีดีสติที่เหมาะสมด้วยเ็นกระทั่งเรามีสติปัญญาสามารถทุกสิ่งทุกอย่างตัดโค่นหน้าแก้วยังอวิชชาอันเป็นตัวพบตาติออกจากจิตใจหมดโดยสิ้เนเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นก็คือความพ้นทุกข์หายกังบลมีก็เพราะอำนาจแห่งศาสนา หนึ่งเป็นของสําคัญมากคำว่าศาสนาะจิตใจมีความเกี่ยวเกาะยึดมั่นถือมั่นในศาสนาะย่อมเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่มีที่พึ่งเที่ยศัสใครจะมีกี่หมืน่นกี่แสนปากมาคัดค้านก็าตามว่าศาสนาคือยาเสติ ติดก็ติดเธอติดของดีติดของมีความสุขความสบายใครต้องการทั้งโลกนั้นแหละแม้ผู้พูดเองก็จะปฏิเสธความสุขไม่ได้ต้องการความสุข ก, กั น, ด, กนด้วยกันทุกคนการติดศาสนาการติดคุณงามความดีการอยากสร้างคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ชอบทำเหมาะสมกับพระาวจานของพระพุทธเจ้าที่สอนคนให้มีความสนใจ ในศาสนาอันเป็นทางเดินราบรื่นดีงามเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจเพราะฉะนั้นคําว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนั้นก็คือคําของคนที่มืดหนาสาหดที่สุดเกิดมาไม่เคยเห็นความสุข ภายในจิตใจเพราะอํานาจของศาสนาแม้แต่น้อยเลยจึงหวังจะยิ่มยิ้มย่องกับสิ่งที่ไม่เป็นผลที่เรียกว่าอาถรรพนะั้นมันเป็นไปไม่ได้เช่นเราหวังพึ่งพิงอิงอาศัยหวังฝากเป็นฝากตายกับวัตถุต่างๆโดยที่เราเห็นว่าวัตถุนั้นเป็นของสําคัญยิ่งกว่าทางด้านจิตใจ วัตถุนั่นแลเป็นเครื่องทับถมจิตใจเมื่อไม่มีศาสนาไม่มีความเฉดียวฉลาดพอที่จะปกครองวัตถุสมบัติข้างหลายเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นก็มากลายเป็นไผ่ต่อจิตใจและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็หมดความหมายเพราะเป็นผู้หมดความหมายร้ค่าแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อยู่แล้วจะไปมีคุณค่า ด้วยอำนาจทางด้านวัตถุแล้วจะมีคุณค่าเพราะคำที่ว่าตนไม่ติดอะไรได้อย่างไรคนเราทั้งติดกิเลสพาให้ติดจะพูดโอ้อวดตนกัขนาดไหนก็พูดไปตั้งแต่ปากแต่ลมเท่านั้น ความจริงจิตที่มีจิเลตแล้วต้องติดด้วยกันผู้ไม่มีศาสนาก็คือผู้ติดวัตถุจนมองหาอะไรไม่เจอนั่นแหละวัตถุเป็นของสําคัญสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของสําคัญสิ่งนั่นแหละคือยาเสพติดอย่างนิดที่ไม่ตรงตามความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าตรงตามความจริงแล้วติดก็ติดไปเถอะ เห็นศาสนาทีงเป็นสวัสาดาิ์าตธรรมจากไม่ชอบทุกสิง่งทุกอย่างเพื่อถอดถอนรื้อฟื้นจิงไม่ดีทั้งหลายออกจากจิตใจให้รับความสุขความเจริญไปด้นยแบเป็นของดีติดสิ่งล่านี้ติดเหมือนเราขึ้นบันไดสู่บนบ้านเมื่อยังไม่ถึงบ้านตราบใดการขึ้นบันไดมีความจําเป็นต้องติด ปล่อยไม่ได้การเดินทางไปสู่จุดที่หมายทางเป็นของจำเป็นไม่ติดผ้นทางไม่ได้ต้องติดเดินปลีกแวะจากทางเพราะกลัวจะติดทางเดินปีกแวไปมากน้อยเพียงไรก็คือผู้ที่จะไปในทางที่ผิดมากน้อยและหมดฝังไปโดยลำดับไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ขึ้นบันไดก็เหมือนกัน ต้องยึดบันไดให้มัน่นผู้เดินทางก็ยึดทางให้มัน่นจนถึงจุดที่หมายเมื่อถึงจุดที่หมายแล้วบันไดก็ดีหนทางก็ดีก็หมดความหมายไปเองเชงเรามาวัดป่าบรรตานต้องอาศัยสายทางนี้มาเป็นลําดับลําดาจะแยกไปทางอื่นไม่ได้เพราะผิดจากทางมาสู่จุดที่หมายเมื่อถึง สถานที่ที่ต้องการแล้วจะติดหรือไม่ติดก็ดูเอาทางไม่เห็นมีความจัดเป็นอะไรกับเราเราไม่ไปเป็นอารมณ์อะไรกับทางเพราะเราถึงจุดที่หมายแล้วนี้เรื่องศาสนาก็คือเส้นทางคนไปถึงสุขติคือความสุขความจเจริญโดยลาดับนั่นแหละคำว่าสุขติคือผล ให้จุดที่หมายศาสนาธรรมเป็นทางเดินเป็นเครื่องดำเนินก็ได้เป็นทางเดินก็ได้ฝ่ายเหตุเป็นอย่างนั้นฝ่ายผลคือความสุขก็อยู่ในศาสนาธรรมอันเดียวกันเราดำเนินเพื่อความสุขความเจริญไม่ติดไม่ยืดศาสนาธรรมอันเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องในงาน จะไปรอดได้อย่างไรเหมือนคนเดินทางไม่ถือทางสายทางที่จะไปสู่จุดที่หมายจะไปถืออะไรต้องถือสายทางเป็นสำคัญไม่ปีกไม่แวะไปไหนยึดมั่นในตรงนั้นในที่นักเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่หมายนี่ผู้ดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า เพื่อความสุขความจเจริญแกตนก็ต้องดำเนินไปอย่างนั้นจะว่าติดหรือไม่ติดเราก็ทำความดีอยู่แล้วติดดีดีกว่าคนติดคนผู้ติดดีเพียงคนเดียวดีกว่าผู้ที่หรือมีและมีคุณค่ากว่าคนที่ติดชั่วเป็นร้อยร้อยพันพัน ติดความสุขดีกว่าคนที่ติดอยู่ในของทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เป็นไหนๆเรามีที่ยึดผู้มีหลักยึดดีกว่าผู้เคร่งฟ้างเป็นไหนๆเป็นคนหลักรอยหาที่ยึดหาหลักเก็ดไม่ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใจของเราจงหาที่ยึดให้ได้ ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว่าดูก่อนพืชสูทั้งหลายเธอจงอยู่ไปเดินนอนคือนยบททั้งสี้ด้วยความมีที่พึ่งอยาปราศจากที่พึ่งนั่นนั่นฟังคำว่าไม่ปราศจากที่พึ่งก็คือให้ยึดที่พึ่งยึดหลักยึดเกณฑ์อันดีงามไว้ให้ดีเช่นยึดข้อปฏิบัติ มีสติปัญญาเป็นเครื่องดาเนินอยู่เสมอไลึกถึง พ, ธธพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ไปลึกถึงการงานอันดีอันชอบคือการเจริญภาวนาของตนให้ยึดเป็นหลักอยู่เสมออย่าปล่อยตัวหาหลักเป็นไม่ได้เหมือนกับบ้าเชื่อกาขาดบนอากาศหัวถล่าตกลงมาหาที่จุดหมายไม่ได้จิตใจที่มีที่ยึดก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละคนไม่มีศาสน า, นาจริงเป็นคนประเภทนั้น หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยอยู่ไปเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งพอลมหายใจหมดแล้วก็สิ้นธาตุแม้แต่มีลมหายใจอยู่ก็สิ้นธาตุพันหมดหวังพานในะิตใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้มีความอบอุ่นร่ม เ, เย็อย่างลำพังเราไปอาศัยวัตถุเท่านั้นเราจะเอาประโยชน์อะ้กับวัตถุ เพราะจิตใจมีธรรมเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอาหารมีอารมณ์เป็นอาหารไงใจจะไปยุ่งกับสิ่ง น, นั้นไปยึดสิ่ง น, นั้นมาเป็นอาหารได้ยังไงนี่มันขัดนี่เรานี่ถูกต้องแล้วอาหารของใจคือศาสนาเราก็ได้ยึดไว้แล้วโดยถูกต้องอาหารของกายคือ วัตูุต่างๆที่เข้าน้ำโภชนาอาหารบอกเป็ความเหมาะสมกับส่วนร่างกายเรียกว่าเราไม่ผิดทั้งสองเพราะนั้นให้ยึดหลักอันนี้คนไม่มีศาสนาคือคนไร้ค่าหมดความหมายเราอยากพูดตั้งแต่คนไม่มีศาสนาโดยทั่วไปอยู่เราเองขณะใดที่ไม่สนใจกับศาสนาลืมเนื้อลืมตัวไปเวสีย ขณะ น, นั้นเราก็ไม่มีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างความหมายให้แก่ตนด้วยความมีศาสนาะระลึกถึงบาปบุญคุณโทษระมัดระวังอยู่เสมอนั่นคือว่าเรามีศาสนาไปที่ไหนไม่ลืมพุโทโธธรรมโมสมกและลึกภายในิตเชื่ อ, อมีศาสนาประจําทุกอุญญาบทตรผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสาระอันสําคัญไม่ปราศจากสาระคุณ ที่เป็นเครื่องอิงแอบภายในจิตใจเปิดความฝุขความเจริญการภาวนาก็เผยอธิบายให้ท่านหลายฟังพอสงควรแวิธีการภาวนานเรากำหนดพุทธโธพุทธโธให้มีสติและรึกรู้อยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธ ย่าสักบนึกชิดเือโดยจิตใจเลื่อนรอยสติไม่ควบคุมนั้นก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราจะกาหอนดอนาปานาสติลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้มีแต่ความรู้รู้อยู่ด้วยสติํำกับ น, นี่ก็ถูกหรือจะกาหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธโทรออก เวลาหายใจออกก็โทรก็ได้แต่ความมีสติเป็นของสำคัญนี่คือการอบรมใจให้มีหลักยึดถ้าใจไม่มีหลักยึดมันจะไปคว้าอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเผาลนตัวเองอยู่เรื่อยอา น, นจึงต้องหักห้ามจิดใจไม่ให้ไปคว้าเอาไฟคืออารมณ์ไม่ดีนั้นให้คว้าให้ยึดอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เย็น มีพุโทโธเป็นต้นเข้าสู่จิตใจใจก็มีความร่มเย็นเป็นจุดสบายมี่ื่อว่าผู้รักษาใจการเยายามทำก็ออกแค่นี่มันนี่ไม่แสดงอะไรมากแท น, นผู้ใดมีข้อของใจจะถามอะไรก็ถามได้ออกแค่นี่ค่ะเรืองของ สามสิมาสีเรืมแจ็คเรามาโดนนี่สัมปับเหมื่วยเวลาหยุดเลย <c oughs> แค่เนี่ยนี่แปล้นท่านเอียนยังไงกันมา